หล <c oughs> <c oughs> ังทำเนาะก็จำเป็นเหมือนกันการออกฟังเนี่ยมันก็เกิดปัญญาได้ ส, ดสุสุสองล ะ, ะเตปัญญงผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเมื่อที่เราฟัง พระสวพดพเจ้าแสดงทมขหติดต้อยห้อยตามคำสอนที่พระเจ้าได้แสดงไว้นี่ยเอามาทำเราสาธยายพระสวดว่าผู้ดใดประมาทในอริยสัจสี่ ยอมถึงความเคยเจ็บจ็บตายหรือไปสู่นรกได้อะไรสัจฉิคืออะไรเงินหลงเป็นหลงประมาทในอา้ายยัสัจฉิแล้วทุก์เป็นทุก์ประมาทในอา้ายยัสัจฉิแล้วโกรธเป็นโกรธเก็บ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 เอาสวดในสังฆคุณปฏิบัติดีปฏิบัติตงนี่คือทางคือมักถึงง่ายสองสามเก้าก็ถึงแล้วเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์พ้นจากทุกข์ถึงแล้วนี่คือทาง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 กรพวกนี้อะไรก็เหมือนกันหมดทำแล้วหรื อ, อยังหรือเป็นงานข้างเป็นงานยุ่งเหยิงสับสนนั่นก็ไม่ใช่ได้ไปทำอืมแล้วก็ไม่มีทุกข์ไม่มีเหตุไม่มีผลทุกข์เป็นผล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 ไม่ใช่ในโลดแบบนั้นอาจจะเดินอยู่นั่งอยู่แล้ว <c oughs> ก็เป็นในโลดได้คือเห็นไม่เป็นแล้วก็พ้นจากภาวะที่เป็นก็ <c oughs> คือคือความถูกต้องปฏิบัติ ตรงปฏิบัติดีปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรนั่นคือเรื่องนี้ผู้ใดทําเรื่องนี้หรือว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้เอาเครื่องหมายงูงผ้าถุงงูงสีดำสีขาวสีเหลืองสีไหนก็ได้ว่าแต่ทําอย่างนี้เป็นจึงเป็นชาโคน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 มันเป็นรถพะธรมมันชนะรถทั้งปวงไนดะ้ยามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเลยมันมีรสชาติมันซื่อๆถ้าควาหลงมีรสเผ็ดรสเข็มก็จืดไปเลยถ้าทุกมีรสเปรี้ยวรสหวานก็จืดไปเลยรู้ซื่อๆตรงนั้นรสพะธรมย่อมชนะรถทั้งปวง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 ทุกเป็นทุกลดของโลกสุกเป็นจุขรลดของโลกลักเป็นความลักชงังเป็นความชางังเป็นลดของโลกจัตโลกต้อมติดลดอย่างนี้เป็นส่วนมากผู้ที่ถึงฝั่งแห่งะนิพพานมีน้อยนะักคือมันเป็นอย่างนี้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 เมื่อก็ว่าปลาลบตนเพจตั้งมนได้ทิศทางก็ปลาลบโลกไปเองปลารบรำไปเองพเพื่อตนเพื่อโลกเพื่อทำไปเองเหมือนพระศาสดาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกประโยชน์เพื่อธรรม ติริยายาตาทาิริยาโลต ท, าทาักทิริยาพุทธาทาักิริยาไปเองหข้างพระองค์ตัดจะุ่นใหม่มันก็ไปเองเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ล่ะจะไ้สอนใครเนอะเนียให้ใครมารู้เรื่องนี้อีกเนาะ โอ้คิดหานะคนที่มาลงเออเปรียบเทียบขึ้นหลายแบบเปรียบเทียบกับบัวพ้นน้าบัวเพียงน้ำบัวครึ่งน้ำบัวใต้น้ำเออมันก็มีอย่างนี้แน่นอนบัวพ้นน้ำมันจะต้องรู้ทันทีดังนี้ใครละ่ะเอาคนนี้ไปก่อนเถอะอย่าปล่อยทิ้ง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 โอ้มีทุกข์จริงไม่มีทุกข์โอ้มีโกรธจริงไม่โกรธลูกเป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนี้สอนไปสอนคนน่ะสอนคนเพื่ออะไรเพื่อทำโอ้หลงเพื่อไม่หลงจึงจะเป็นเพื่อทำทุกข์เพื่อไม่ทุกข์แกเพื่อไม่แกเจ็บเพื่อเพื่อไม่เจ็บตายเพื่อไม่ตายมัาต้องเป็นอย่างนี้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 ทำไรที่มันมีเชื่อตรง g เทำเศษไปใหม่เอาไปมามันก็ต้องมาอาศัยไม่อาศัยเช่บนบรรทัดไม่อาศัยกอบนอกกอบก็เจ๋งนอกกรอบไม่ใช่เจ๋งในกรอบแต่มันเจ๋งในกอบโกดมันยังเจ๋งนกกอบเราเขียนหนังสือไม่ต้องอาศัยบรรทัด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 มาใช่รู้นะเบื่อไหมพูดแต่เรื่องเก่าอหลวงตาพูดว่าหลวงตาเป็นกาล่องแม่เป็นอยู่นี่นนกากาอยู่ที่ไหนก็ขอล่องกากาแบบนี้่ะมาเป็นคาดกา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 ในกายในใจเรานี่เลือกได้ทุกอยเอาให้แม่นยาถูกต้องไปเลยอะไรที่มันเกิดขึ้นายกับใจเรานี้เป็นของใช้ได้ได้ประโยชน์จากบานันทั้งหมดไม่ใช่อะไรที่เป็นเป็นทุกข์เป็นโทษเลยมันมีให้เราใช้มันมีให้เราฉลาด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 เขียนป้ายไปเลยว่ที่นี่นายงูไม่เอาทรัพย์มาฟังไปเลยฟังไปเออนี่ถูกต้องแล้ววเท่านั้นคนมีขวัญง่คิดเท่านั้นแต่พอดีนายงูไปถ่ายในป่าไปเห็นกอแฝกปลูกใหม่แล้วเห็นป้ายไว้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 <laughs> นายเงาไม่เอาทรัพย์ไปได้นายเอ๊นายเงาไม่ได้เอาทรัพย์ที่ดีไปเลยมัน <laughs> ก็ทั้งสองคนเนอะพอจะเถดโง่ทั้ ง, ทงสองคนเราโกดอ้างคนมึงไม่รู้จะกโกดเลยตั้งโง่ทั้งเงาอายพลังแนวโกดก็ยักไปบอกเขา อ, อยู่ สแสดงออกโงูโ<อ>ดั บ, ดบมึนโง่ไปแท<อ>นที่โกรธจะกระกำไปมันเป็นเรื่องอะไไม่เอาเลยจะแดงออกทันเถอะที่น้าที่ตาดูดากันนายโงในเงาอยู่ในเรานี่มีเจอะเราะนั้นโอ้ยเห็คนความโกรธไ้ย มันเป็นเพชรเต็ินดาเพียรใโกฎเนี่ยมันได้ของกิอยาประมาทลยอิริสัจติคือตรงนี้นะอะิริสัจติคืออะไรคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันเป็นเกณฑ์มันเป็นกฎเกณฑ์ในชีวติตเหล่านี้ให้ใช่ให้มันสำเร็จจ้า ถ่ามีหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนะ่ยจบไปแล้วใช่ได้แล้วบเป็นแต่ก่อนหลงเป็นคนเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเป็นมนุษย์ขึ้นมาเลื่อนฐานละได้เนี่ยเมื่อมันเป็นตึกทั้งใดก็ชํานานเรีวยกว่าเกตเกต ด, ด, ดีง่ายๆแล้วบัดเหมือนเราเรียนหนังสือเกต ด, ดี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 บอกให้รู้สึกตัวเอาเบอร์บางไว้เขายกมือขึ้นอยกแลยวไปเดี๋ยวก็คว่าเสื้อตะก้ามาพูดลองเงินไปเอาอีกเอาบางไว้ก่อกระต้ามาเอ า, ม, ามือบางไว้รู้สึกตัวไปพบกับพระผู้ใหญ่ฐานก็สนทนาธรรมแลวมีกระถน ครึ่งโศกสูงก็มีห่อมากเขียบ ม, มากอย่างเดียงมทำให้เดี๋ยวก็เอาเชือจับแล้วก็จับกระถันมาแนพยพงที่จะพูดเรื่องสติมือไปไหนก็ให้รู้สึตตัวใช่มหมเวลาท่านไปจับกระถันก็หลงเวลาท่มมานห่อหนักก็เที้งไปก็ชิว นั่งอยู่ไม่นานเท่าไหร่คำกินยึงจำจำจำจำจำจำโอ้ยอวดมาห้าสิบปีแต่ว่าอยากสนทนาธรรมกับสนทนากับท่านไม่ไม่มีช่องเลยเงินติดอะไรปลงพลังดินพ่อขาหมู